3.20 ต้องซ้อมเอาไว้ก่อนที่จะเผชิญปัญหาวงเล็บเปิด18พฤษภาคม2551ห้าอดจุดจุดนาทีห้าเอวงเล็บปิดเราต้องซ้อมเอาไว้ก่อนที่จะป่วยถ้าป่วยแล้วจะมาแยกกายแยกจิตไม่ได้หรอกต้องแยกจิตออกจากกายเอากายไปเผานะมันเหมือนคนตกน้ำพอหล่นน้ำตูมไปแทนที่เพื่อนจะช่วยเพื่อนกลับบอกว่าทาไมแกไม่ไว่ายน้าวะก็มันว่ายไม่เป็นนะ ฉะนั้นก่อนจะตกน้ําก็ต้องหัดว่ายน้ําให้เป็นซสก่อนก่อนจะป่วยหนักก่อนจ ะ, ะเผชิญปัญหาชีวิตที่รุนแรงเช่นพลัดพรากจากสิ่งที่รักอย่างรุนแรงอะไรอย่างนี้นะต้องฝึกจิตของเราเอาไว้ก่อนจนจิตเราภาวนาเป็นเข้มแข็งแล้วเวลาเจอปัญหาใดๆขึ้นมามันถึงจะสู้ไหวแล้วคนที่ป่วยหนักสู้ไม่ไหวจริงๆถ้าจะตายจริงๆทําอะไรไม่ไหวแล้วจริงๆนะพุโทโธไปเรื่อยคิดถึงพระพุทธเจ้า คิดเลยว่าเราขอเอาร่างกายนี้เป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าเลยขอสละร่างกายนี้แล้วจะอยู่หรือจะตายก็แล้วแต่ขอถวายเป็นพุทธบูชาใจของเราจะอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวเลยเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายไปที่ศรีราชาที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อจำหน้ามไม่ได้แล้วเข้าไปวันเสาร์หลวงพ่อก็สอนเขาอย่างโน้อนอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วก็บอกให้ถือว่าร่างกายนี้ขอถวายพระพุทธเจ้าไป จิตใจเราจะคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆไปพอถึงวันจันทร์มาใหม่หน้าตาเปลี่ยนไปเลยสดชื่นแจ่มใสามานะมะเร็งก็ยังเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละแต่จิตใจนี่สดชื่นมาเออพอจิตใจมันไม่กังวลถึงร่างกายร่างกายก็ดูแข็งแรงขึ้นจิตใจก็สดชื่นขึ้นเพราะฉะนั้นรักษาจิตเอาไว้ร่างกายเป็นหน้าที่ของหมอที่จะต้องรักษาไม่ใช่หน้าที่เราแล้วหน้าที่ของเราต้องรักษาจิตของเราเองเพราะหมอรักษาให้เราไม่ได้ หมอยังรักษาจิตหมอไม่ค่อยไหวเลยนะ